ลมะโอกาสจะขุนทริยะมูลกะใน413อนุจะขุนสีในภูมิใดเคยเกิดโสตินสีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมอนุลมมะปุขโอกาสจะขุนทริยะมูลกะใน414อนุจกขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดโสตินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิ ปชิมภวิเคะบุคคลในปัญจโวัวกระพมจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่โสตินทรียไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุปาอยู่ในปัญจโวัวกระพมจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและโสตินรีก็จกเกิดปฏิโสตินรีของบุคคลใดในภูมิใดายจเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุ จากขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดคาเินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปชิมพวิกะบุคคลในกลาววจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่คาเินศีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในกลาววจรภูมิจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและคาเินสีก็จะเกิดปฏิ คาเนนสีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอิทธินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปฏิิญผะวิกะบุคคลในกางมวจรภูมิบุคคลผู้อุปาจูนในรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้เถอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละ แล้วปรินิพานจกขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่อิทินสีไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุปาตุในกามวจรภูมิจกขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและอิทินสีก็จะเกิดปฏิอิทินสีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจกขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด บุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปชิมพระวิกะบุคคลในกางมวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยูในรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิสิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละและปรินิพานจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่บุริสินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในกามวจรภูมิ จากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและบุริสินศีก็จะเกิดปฏิบุริสินศีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดชีวิตินศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิประชิมพภวิกะบุคคลในปัญจโวการภูมิ จากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่ชีวิตินทรียีไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุปาจูในปัญจะโวการภูมิจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและชีวิตินทรียีก็จะเกิดปฏิชีวิตินทร์ีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุปายูในอสัญญัตถภูมิและอรูปภูมิ ชีวิตินทรียีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จักขุนศีไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบปาจุเนปัญจะโวกระพมชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจักขุนศีก็เคยเกิดอนุจักขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดโสมนสินศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปชิมพวิกะบุคคลในปัญจโวกระพมและบุคคลเหล่าใดมีจักรขุเกิดได้ และมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติและวปรินิพานจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเกิดเกิดแต่สมณสินศีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวกรภูมิจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเกิดเกิดและสมณสินศีก็จะเกิดปฏิสมณสินศีของบุคคลใดในภูมิใดายจเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุ จาก ค, ค, น ค, กคุนสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอุเปกขินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ื่อจะเกิดใช่ไหมวิปชิมพระวิกะบุคคลในปัญจโวกรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีจักรผูกเกิดได้และมีจิตเป็นโสมนัตจากอุบัติและปรินิพานจากคุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่อุเปกขินสีไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวกรภูมิ จากผลสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและอุเปขินสีก็จะเกิดปฏิอุเปขินสีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจากผลสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิอุเปขินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จากผนสีไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจะโวการภูมิอุเปขินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด และจากขุนสีพวกเคยเกิดอนุจากขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสัจทินศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปชิมพวิกรบุคคลในปัญจะโวกราพูงจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สัจทินศีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุปาจูในปัญจะโวกราพูงจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสัจทินศีก็จะเกิด สัตทินรีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปภูมิสัตทินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จากขุนสีไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิสัตทินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจากขุนสีก็เคยเกิดอนุจากขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด ปัญญีนียมณินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิประชิมภวิกรบุคคลในปัญจโวการพูมิจากขุนรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่มณินทรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอย devant, self self ู่ในปัญจโวการพูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและมณินรีย์ก็จะเกิดปฏิมณินทรียของบุคคลใดในภูมิดายจะเกิด จากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุปบัติอยู่ในอรูปภูมิมนินศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จากขุนศีไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุปบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิมนินศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจากขุนศีก็เคยเกิดจากขุนธริยมูลกะในจบคานิทริยมูลกะใน๔๑๕อนุ คานินทรียของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอิทธินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปชินพระวิกรบุคคลในการมาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละและปริณิพานคานินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่อิทธินทรียไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุปาจุณกรรมวจรภูมิ คาลนินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและอิทธินรีก็จะเกิดปฏิอิทธินรีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดคาลนินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุคาลนินทรีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดบุริสินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปฏิินเพรวิกะบุคคลในกางมวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดม่อิทธิเกิดได้ เธอปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพ า, านคารินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่ปุริสินทีไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุปาจุนกาเมาวจรภูมิคารินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและปุริสินทรีก็จะเกิดปฏิปุริสินทรีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดคารินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุ คายนันจีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดชีวิตจินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปฏิมภวิกะบุคคลในการมรวจรภูมิคายนันจีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่ชีวิตจินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุปาจูในการมรวจรภูมิคายนันจีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและชีวิตจินทรีย์ก็จะเกิดปฏิ ชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดคาณินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิชีวิตินทรียีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คาณินทรียีไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอูในกรามาวจรภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคาณินทรีย์ก็เคยเกิดอนุ คาเนนรียของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสมณสินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิประจิมภวิกรบุคคลในกา ร, รมวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีคานะเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติและปรินิพานคาเนนรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สมณสินรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในกรรมวจรภูมิ คาณินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสมณสินรียก็จะเกิดปฏิสมณสินรียของบุคคลใดในภูมิใดายจะเกิดคาณินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุปบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิสมนัสินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คาณินทรียไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุปบัติอยูในกามาวจรภูมิสมณสสินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด และคานนนรีก็เคยเกิดอนุคานินทรีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอุเปกินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักเกิดใช่ไหมวิประชิมพวิกรบุคคลในการมวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีคานะเกิดได้และมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติและปรินิพานคานนนรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่อุเปกินรีไม่ใช่จากเกิดบุคคลนอกนี้ ผู้อุบัติอยู่ในกลางมาวจรภูมิคลานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและอุเปขินรีก็จะเกิดปฏิอุเปขินรีของบุคคลใดในภูมิดายจะเกิดคลานินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ใน ora, รูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิอุเปขินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ตคลานินทรียไม่เคยเกิด บุคคลผู้อุบาจุเนกามวจรภูมิอุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคานินรีก็เคยเกิดอนุคานินซีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสัตินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปะจิมพระวิกรบุคคลในกามวจรภูมิคานินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สตินรีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ ผู้อุบัติจุนกามาวจรภูมิคารินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสัตวินร <os> <Alleg aba. S 1> ียก็จะเกิดปฏิสัตวินรียของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดคารินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิสัตวินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คารินทรีย์ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในคามาวจรภูมิ จัตินรียีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคาเนนีนีก็เคยเกิดอนุคานินรียีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดปันยินรีย์มณินีนีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมพวิธกะบุคคลในกาลมวจรภูมิคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่มณินทรียไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุปัติยุนิกาลมวจรภูมิ คาเนนซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและมณีนรียก็จะเกิดปฏิมนินทรียของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดคาินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิมนินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คาินทรียไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอูในกามาวจรภูมิมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด และคานินเสี่ยก็เคยเกิดคานินธริยะมูลกะในจบอิทินทริยะมูลกะใน416อนุอิทินทรนนนีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดปุริสินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมพวิกะบุคคลในกาลมาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิถธิเกิดได้เถิดปฏิสนทิ่ในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละและวปรินิพาน อิทธินิสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่บุริสินิสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุปาจูเนกามวจรภูมิอิทธินิีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและบุริสินิสีก็จะเกิดปฏิบุริสินิสีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดอิทธินิีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุอิทธินิสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด ชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปาจิมเพวิเคราะบุคคลในการมวจรภูมิอิจฉินทรียีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่ชีวิตินทรียีไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุปาจิในกรรมวจรภูมิอิจฉินทรียีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและชีวิตินทรียีก็จะเกิดปฏิชีวิตินทรียีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิด อิทธินสีของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุปบัติอยในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิชีวิตินทสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อิทธินิสีไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุปบัติอยในกรามวจรภูมิชีวิตินทสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอิทธินทรีก็เคยเกิดอนุอิทธินทรีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด สมณสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิประชิมพระวิเคราะบุคคลในาการมวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้มีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติและปรินิพานอิทินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สมณสินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอก น, นี้ผู้อุบัติจูนในกรรมวจรภูมิอิทธินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสมณสินสีก็จะเกิด ปติโสมนัสินสีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดอิทธินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยในรูปาวจรภูมิสมนัสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อิทธินรียไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอูในกามาวจรภูมิสมนัสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอิทธินรีก็เคยเกิดอนุ อิทินรีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอุเบกินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมพวิกะ บ, บุคคลในกรรมวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิถิเกิดได้และมีจิตเป็นโสมณัจรอุบัติแล้วปรินิพานอิทินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่อุเบกินรีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้ อ, อุบัติอูในกรรมวจรภูมิอิทินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิด และอุเปขินรีก็จะเกิดปฏิอุเปขินรีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดอิขินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัปาจูในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิอุเปขินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อิขินรีไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัปาจูในกามาวจรภูมิอุเปขินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอิขินรีก็เคยเกิด อนุอิทินรียของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสัดทินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปฏจทินพวิกรบุคคลในการมวจรภูมิอิทินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สัดทินรียไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัตุในกรรมวจรภูมิอิทินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสัดทินซียก็จะเกิดปฏิ สัตถินรียของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดอิจฉินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิสัตถินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อิจฉินรียไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอในครามาวจรภูมิสัตถินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอิจฉินรีก็เคยเกิดอนุอิจฉินศีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด มัญญีนีมณีนีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกะบุคคลในการมวจรภูมิอิถินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุปาจุเนการมวจรภูมิอิถินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและมนินรียก็จะเกิดปฏิมนินรียของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิด อิทธินีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุปาจูเนโรปาวจรภูมิและอะโรปาวจรภูมิมนินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อิทธินีไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุปาจูเนคามาวจรภูมิมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอิทธินีก็เคยเกิดอิทธินิรยามูลกะในจบปุริสินทริยามูลกะใน สี 17, อ่อเจอนุปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดชีวิตินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจจิมภวิกะบุคคลในการมวจรภูมิปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่ชีวิตินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุปาจินการมวจรภูมิปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและชีวิตินสีก็จะเกิดปฏิ ชีวิตจินทรียของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดปุริสินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุปาจูเนรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิชีวิตจินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ปุริสินรียไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุปาจูเนกามาวจรภูมิชีวิตจินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและปุริสินรียก็เคยเกิดอนุ ปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสมณสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปชิมพรวิเคะบุคคลในการมวจรภูมิและบุคคลเหล่าดใดมีปุริจักเกิดได้มีจิตเป็นอุเบขาจากอุบัติและปรินิพานปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สมณสินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติจึงใกรรมวจรภูมิ ปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสมณส SO ินสีก็จะเกิดปฏิสมณสินสีของบุคคลใดในภูมิใดายจเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุปบัติอยในรูปาวจรภูมิสมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ปุริสินสีไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุปบัติูนกลามวจรภูมิ สมนัสสินส so erm ีของบุคคลเหล่าน evet ั้นในภูมินั้นจะเกิดและปุริสินสีก็เคยเกิดอนุปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอุเบกินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมพวิกรบุคคลในกามวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสะเกิดได้และมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติและปรินิพานปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่อุเบกินสีไม่ใช่จกเกิด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 บุคคลผู้อุบปาจุนกามอวจรภูมิอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักเกิดและบุริสินสีก็เคยเกิดอนุบุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสัตทินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกรบุคคลในกามอวจรภูมิบริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สัตทินสีไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบปาจุนกามวจรภูมิ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 จัตถินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและปุริสินสีก็เคยเกิดอ น, นุนปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดปัญญินรีย์มณินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปฏิญพระวิกะบุคคลในกามวจรภูมิปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่มณินรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบายจุลกรรมวจรภูมิ ปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและมนนิทรีย์ก็จะเกิดปฏิมนิณีส <eighth> ีของบุคคลใดในภูมิใดายจะเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุปบาติอยในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิมนนิทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ปุริสินสีไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุปบาติยูในกลามบาวจรภูมิ มนินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและบุริสินรียก็เคยเกิดบุริสินทรียาโมลกะในจบชีวิตินทรียาโมลกระใน418อนุชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสมสินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลยนด้วยปัจฉิมจิต ปัจฉิมจิตที่สัมปยุดด้วยอุเบกขาจกเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้อุบัจูในอสัญญสัตต ภ, ภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สมณสินทร์สีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัจูในจตุวโกระภูมิและปัญจโวโกรภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสมณสินทร์สีก็จะเกิดปฏิ โสมนัสินสีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดชีวิตินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิโสมนัสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยในจตุวการภูมิและปัญจวการภูมิโสมนัสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและชีวิตินรีย์ก็เคยเกิดอนุ ชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอุเบกินทรียีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลิงเรื่องปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัสจกเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอนาศัยในสัตตพูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่อุเบกินทรียีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอในจัตุ ว, วการพูมิ และปัญจโวคารภูมิชีวิตินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและอุเปขินรีก็จะเกิดปฏิอุเปขินรีของบุคคลใดในภูมิดายเกิดชีวิตินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุททาวาสภูมิอุเปขินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ชีวิตินรีไม่เคยเกิด บุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจัตุโวกรภูมิและปัญจโวกรภูมิอุเบกินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและชีวิ ต, ตินทรีย์ก็เคยเกิดอนุชีวิตินทรียของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสัตทินรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัต ภ, ภูมิชีวิตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเกิดเกิด แต่สัตวตินรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุปาจูในจโตโวการพูมิและปัญจโวการพูมิชีวิตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสัตว์ตินรียก็จะเกิดปฏิสัตตินรียของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมิ น, น, นั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุปาจูในสุทาวาสภูมิสัตตินรียของบุคคลเหล่านั้ น, น, นในภูมินั้นจะเกิด แต่ชีวิตินทรีย์ไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจัตุโวการพูมิและปัญจโวการพูมิสัตวทินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจกเกิดและชีวิตทินทรียีก็เคยเกิดอนุชีวิตทินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดปัญญทรีสีเมณทรียีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเปลืองด้วยปัจฉิมจิตบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญยัตะภูมิ ชีวิตินทรียีของบุคคลเหล่านั้นในภูมนิมนั้นเคยเกิดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจัตโตโวการภูมิและปัญจโวการภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและมนินทรียีก็จะเกิดปฏิมนินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิ มณีนีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ชีวิตินทรียีไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุปาจูในจัตุวกรภูมิและปัญจโวกรภูมิมณีนีีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและชีวิตินรียีก็เคยเกิดชีวิตินทเรยามูลกะในจบโสมนสินทเรยามูลกะใน419อนุ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 โสมุนสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและอุเปกินรียก็จะเกิดปฏิอุเปกินรียของบุคคลใดในภูมิดายจะเกิดโสมุนสินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาสภูมิเป็นไปอยู่อุเปกินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่โสมุนสินสีไม่เคยเกิด บุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจัตุวกรภูมิและปัญจโวกรภูมิอุเบขินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและโสมนสินสีก็เคยเกิดอนุโสมนสินสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสัตตินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลืงองด้วยปัจฉิมจิตโสมนสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สัตตินสีไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจตุโวกระูมิและปัญจโวกรภูมโสมนสินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสัจทินรียก็จะเกิดปฏิสัจทินรียของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดโสมนสินซีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุดท่าว่าสภูมิเป็นไปอยู่สัจทินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด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 แต่มนินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจัตุโวโกรภูมิและปัญจโวโการาภูมิโสมนสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและมนินทรีย์ก็จะเกิดปฏิมนินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดโสมนสินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่ มณินีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่สมนณสินสีไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุปาจูในจตุโวการภูมิและปัญจวโวการภูมิมณินีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและสมณสินสีก็เคยเกิดโสมณสินทลิยมูลกะในจกผูุ้เปคินทลียมูลกะใน๔๒๐อนุ อุเปกินทรีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสัตถินรียปัญญินรียมณินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตอุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่มณินทรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุปาจูในจัตุวกรภูมิและปัญจะวกรภูมิอุเปกินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและมณินทรียก็จะเกิด ปฏิมนินทรียของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดอุเปกินรีของบุคบคล น, นั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทาวาสภูมิมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อุเปกินรีไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจัตุวาการภูมิและปัญจโวกรภูมิมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอุเบกินรีก็เคยเกิด อุเปขินทริยะมูลกะในจบสถินทริยมูลกะใน421อนุสถินสีของบุคคลใดในภูมิใดเคเกิดปัญญรีมณินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นจะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเปลี่ยนเรื่องปัจฉิมจิตสถินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่มณินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ ผู้อุบัติอยู่ในเจตุวกรภูมิและปัญจโวกราภูมิสัตตินียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและมนินรียก็จะเกิดปฏิมนินรีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดสัตตินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทเาวาสภูมิมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นะจะเกิดแต่สัตตินรียไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ ผู้อุบัติอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิมณีศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและสัจฉิศีก็เคยเกิดสัจฉิธริยะมูลกะในจบปัญญินทริยะมูลกะใน4ี่อยอนุปัญญินศีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดมณีศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเปลืองเลือดปัจฉิมจิต ปัญญินสรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจัตุวการภูมิและปัญจวโวการภูมิปัญญินทียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยกกเกิดและมนินทรีย์ก็จะเกิดปฏิมนินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดปัญญินสรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กาลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิ มณินีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ปัญญินรียไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุปาจุเนจัตโตโวภารภูมิและปัญจวโวการภูมิมณินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและปัญญียก็เคยเกิดปัญญคียมูลกะในจบ